คู่อาสวะได้กล่าวถึงสถานการณ์ในจิตนครเมือนครสามีอ่อนแอไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ยอมให้คู่บา ร, รมีนำศีลและหิริโอต ป, ปะเข้าช่วยปกครองจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขดีแล้วครั้นสมุทัยใช้คารมหวานล้อมมากเข้าก็โอนอ่อนยอมให้สมุทัยกับพักพวกมีอำนาจในจิตตนครยิ่งกว่าคู่บา ร, รมีกับพักพวกผลร้ายก็เกิดขึ้นคือคู่บา ร, รมีกับพักพวกพากันหลีกถอยไปปล่อยให้สมุทัยกับพักพวกแสดงอำนาจ ก่อความพิบัติขึ้นทั่วไปในจิตนครจนจิตนครจะเกิดเป็นไฟอยู่แล้วเมื่อทุกร้อนกันหนักเข้าชาวจิตนครก็กลับระลึกถึงศีลและเฮริโอต ป, ปะคู่บรารมีที่เหลีกทางให้สมุทัยกลับมาอีกได้ชี้แจงให้นครสามีเห็นความจริงว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดสุขรัต น, นครสามียอมเห็นด้วย ก็ขอเสนอให้เรียกเจ้าหน้าที่มาประจำการช่วยศีลและหิริอตตะเพิ่มขึ้นอีก3าคือ 1. อินทรีสังวร 2. สติสัมปชัญญะ 3. าสันโดษนครสามียินยอมจิตนครก็กลับคืนสู่ความสงบสุขเหตุพิบัติต่างๆเริ่มลดน้อยถอยลงโดยลำดับพระสมุทรไทยหลบหนีไป ไม่กล้าทนต่อการพิสูจน์ของฝ่ายบา ร, รมีการที่สมุทรไทยถอยร่นหลบหน้าออกไปนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะยอมพ่ายแพ้สมุทรไทยถแถลงว่าถอยเพื่อจะตั้งตัวที่จะรุกให้มากขึ้นเหมือนอย่างถอยหลังครึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไกลไปทีเดียวหลายก้าวแต่ก็เป็นถ้อยถแถลงกู้หน้าเท่านั้นเพราะสมุทรไทยไม่กล้าอยู่สู้หน้าคู่บา ร, รมีจริงๆฉะนั้นจึงคิดว่า จะหาใครเป็นคู่ปรับกับคู่บา ร, รมีได้ไม่เช่นนั้นก็จะต้องคอยถอยอยู่เรื่อยไปสังเกตดูคู่บา ร, รมีก็ชักจะเข้ามายุ่งมากขึ้นมิใช่นานๆจึงจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งนึกขึ้นมาได้ถึงคู่อาสะวะซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของนครสามีเห็นว่าจะมีกําลังต้าทานคู่บา ร, รมีได้จึงเข้าพบคู่อาสะวะชักชวนให้กำหรับ ปราบปรามคู่บา ร, รมีลงเสียให้ได้คู่อาสว ะ, ะแถลงว่าได้คอยช่วยสมุทัยอยู่ตลอดมาแล้วแต่ได้ช่วยอยู่ลับๆในภายในเมื่อคู่บา ร, รมีแนะนำอะไรคู่อาสวะก็คอยคัดค้านอยู่ทุกครั้งด้วยวิธีกระซิบเบาๆที่กกหูหรือที่ใจบางทีก็เหมือนอย่างมาอภิปรายโตวาทากันต่อหน้านครสามีอันที่จริง ขัวสะวะเป็นคนต่างเมืองต่างถิ่นคือไม่ใช่เป็นชาวจิตนครโดยตรงแต่เป็นคนจอนหมอนหมิ่นมาจากต่างเมืองที่ห่างไกลเป็นผู้สามารถทำให้นครสามีเกิดความรักใคร่เกิดความเป็นเราเป็นเขาและเกิดความงวยงงหลงไหลจึงกลายเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมจนถึงเข้าอยู่ประจำองค์นครสามีไม่ยอมออกหาก่างเหมาะที่จะยืมคำว่าคู่ มาเรียกดังที่เรียกว่าคู่อสวะนั่นแหละคู่อสวะถือว่าตนก็เป็นคนในเช่นเดียวกับคู่บารมีจึงไม่ค่อยยอมถอยหลังกรูดเมื่อคู่บารมีเข้ามายังคอยกระซิปใจนครสามีโตแย้งคัดค้านไม่ให้เชื่อคู่บารมีแต่ให้เชื่อสมุทยัยและเมื่อคู่บารมีเองเมื่อถูกปะทะบ่อยเข้าก็ยิ่งเข้มแข็ง ยิ่งเข้าประจํานครสามีไดแนะนำตักเตือนบ่อยครั้งเข้าเมื่อถูกโต้แย้งมาก็โต้อตอบกลับไปตามสัจจะคือความจริงเป็นเหตุให้นครสามีเกิดความลังเลสับสนเรียกใช้ฝ่ายนี้บ้างฝ่ายนอนบ้างบางทีก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขตรหรือส่วนสิ่งกันเช่นไตรทวารของจิตตนคร บางคราวศีลและวินัยเข้ารักษาทั้งหมดบางคราวทุจริตเข้ายึดไว้ได้จากศีลทั้งหมดบางคราวศีลวินัยรักษาไว้ได้แต่บางส่วนบางสิ่งทุจริตยึดไปได้บางส่วนบางสิ่งอันหนึ่งฮิริโอต ป, ปะทำหน้าที่นครบาลเที่ยวตรวจตราทั่วจิตนครในบางเวลาแล้วก็ถูกพวกตั้นหาพักพวกของสมุทยัย รังแคขับไล่ไปเสียบ้างได้ในบางเวลาอินทรีสังวรสติสัมปัญญะสันโดษก็เช่นเดียวกันคือปฏิบัติหน้าที่ได้บางคราวหรือในบางส่วนของจิตตนครเพราะพักผู้ของสมุทัยเข้ายึดหน้าที่ในบางคราวหรือบางส่วนฉะนั้นสถานะของจิตนครจึงมีทั้งสงบสุขทั้งทุกข์เดือดอร้อน ถ้าเป็นสีก็เปรียบเหมือนสีขาวดํามีทั้งดีทั้งชั่วถ้าต้องการจะมองให้เห็นเป็นภาพก็น่าจะดูเทียบได้กับบ้านเมืองทั่วไปเพราะบ้านเมืองทั่วไปก็สร้างลอกแบบออกมาจิตนครนี้แหละบรรดาผู้มาบรหิหารจิต ท, ทั้งหลายแม้ต้องการจะทําจิตของตนให้เป็นจิต ท, ที่ดีที่ผลจากอํานาจของทุจริตแล้วก็ต้องไม่อ่อนแอเช่นนครสามี เดียวยอมให้ชั่วมีอำนาจแต่ต้องเข้มแข็งเด็ดขาดให้ดีเท่านั้นเป็นใหญ่ในใจตนชั่วแล้วทุจริตแล้วปัดให้พ้นโดยเด็ดขาดจึงจะประสบผลสำเร็จสูงสุดในการบริหารจิตได้มีจิตวิเศษสุดที่จะทำให้ความสุขที่สุดได้จิ ต, ตนครเมืองต้นแบบในบ้านเมืองทั่วไป มีกฎหมายห้ามการทำร้ายร่างกายและชีวิตคนแต่ไม่ห้ามการทำร้ายแก่สัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างคนและคนโดยมากบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารสัตว์เดรัจฉานจึงถูกฆ่าเป็นอาหารประจําวันวันละมากมายนอกจากนี้ในคราวสงครามคนยังประหัดประหารกันเองเพื่อรุกรานบ้างเพื่อป้องกันบ้าง ชายชะกันทั่วไปถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องเป็นทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติและคนทั่วไปเมื่อโตขึ้นก็ต้องมีอาชีพคือทำงานเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวสร้างหลักฐานเช่นมีที่ดินบ้านเรือนและทรัพย์ต่างๆขึ้นบางทีก็โดยทางสุจริตบางทีก็โดยทางทุจริตแต่บางคนก็ ลักขโมยปล้นสะดมเขากินซึ่งเป็นการผิดกฎหมายและบางคนก็ซื้อตรงต่อครอบครัวไม่ประพฤตินอกใจบางคนก็ประพฤตินอกใจบางคนก็รักษาสัตว์มีวาจาเชื่อได้บางคนไม่ได้รักษาสัตว์มีวาจาเชื่อไม่ได้บางคนไม่ดื่มสุรายาเมาบางคนดื่มสุรายาเมาในบ้านเมืองทั้งหลายก็มีโรงต้มกลั่นมากมาย มีสุราจำหน่ายนานาชนิดทั้งยังมีโรงอะไรต่ออะไรสำหรับเที่ยวเตะแสวงหาความสุขสนุกสนานในบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเจริญในปัจจุบันมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าอบัยมุกทุกอย่างแต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองนอกจากกฎหมายยังมีศาสนาเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความประพฤต ศา ส, สนาย่อมสอนศีลธรรมแก่ประชาชนบางทีก็ดูเหมือนขัดกันเช่นทางบ้านเมืองส่งเสริมอาชีพบางอย่างที่เกี่ยวแก่การใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหารแต่ทางศาสนาห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทางบ้านเมืองต้มโรงต้มกลัน่นแต่ทางศาสนาห้ามดื่มสุราเมีไรดูขัดกันดังนี้น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ ทั้งทางบ้านเมืองยังอุปถัมภ์ศาสนาอีกด้วยก็เพราะการปฏิบัติศาสนาเป็นไปตามศรัทธาของแต่ละคนใครยังไม่ศรัทธาจะยังไม่ปฏิบัติก็ได้หรือยังไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องปฏิบัติส่วนกฎหมายเป็นการบังคับเมื่อชาติต้องการใช้หรือต้องการให้ช่วยก็ต้องรับใช้ชาติช่วยชาติก่อนวางจากกิจจาเป็นของชาติ จึงปฏิบัติกิจทางศาสนาได้สะดวกตามศรัทธาศาสนาจึงไม่ขัดขวางต่อชาติทั้งยังช่วยชาติโดยเป็นเครื่องอบรมจิตใจคนให้ดีงามต่างๆที่กฎหมายไม่อาจทาได้และคนในบ้านเมืองทั้งปวงย่อมมีระดับแตกต่างกันแม้จะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันดังนั้นผู้ที่จะต้องการจะปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ากฎหมาย ก็มาปฏิบัติศีลธรรมในทางศาสนาได้จะปฏิบัติเร็วหรือช้าเท่าไหร่ก็สุดแต่ใจสมัครลักษณะและสิ่งที่เป็นไปในบ้านเมืองทั้งปวงก็ถอดแบบมาจากจิตนครทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนพระนครสามีเชื่อฟังทั้งคู่บา ร, รมีและคู่อาสวะจึงได้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสถานหรือการส่งคะอ์ต่างตลอดถึงวัดวาอารามขึ้น ด้วยคําแนะนําของคู่บรารมีและได้สร้างโรงอบายมุขต่างๆขึ้นด้วยคําแนะนําของคู่อสวะทั้งสองต่างเป็นคู่ปรับของการละกันทั้งต่างก็ขวนขวายที่จะให้พักพวกเข้ามาสู่จิตนครให้มากยิ่งขึ้นชาวจิตนครจึงมีสิ่งหรือทางที่จะเลือกธรรมเลือกปฏิบัติเลือกเดินได้ทุกสิ่งทุกประการทุกทาง จะไปทางมนุษย์ทางอบายภูมิทุกติภูมิก็ได้จะไปทางสุกติภูมิตลอดถึงนิพพานก็ได้คู่อาสวะและสมุ ท, ทยัยพยายามชักชวนเต็มที่ให้เดินไปตามทางของตนใช้อารมณ์ที่น่าปรารถนาและสวรรค์เป็นเครื่องโฆษณาล่อดใจคนให้นิยมซึ่งก็ได้ผลเป็นอันมากบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้ที่ปรารถนาจะสามารถพาตนให้พ้นจากทางสายที่คู่อาสวะและสมุทัยแห่งจิตนครพยายามชักชวนให้เดินจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจถูกตั้งใจดีที่จะทำให้สามารถก้าวเข้าไปสู่ทางสุคติได้ถ้ามีความเพียรประกอบด้วยสติอยู่เสมอศาสนาในจิตนคร ในจิตนครก็มีศาสนามากมายกล่าวได้โดยไม่ผิดว่ามีครบทุกศาสนาเหมือนดังที่มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ได้มีอยู่ในจิตนครเช่นเดียวกันศา ส, สนาทั้งหลายที่มีมา ก, ก่อนและที่มีในภายหลังก็ดูคล้ายๆกับมีในจิตนครโดยครบถ้วนแต่ชาวจิตนคร น, นับถือศาสนากันอีกแบบหนึ่งต่างจากโลกภายนอก เมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีพระปณิธานต่อพระโพธิญาณทรงบำเพ็ญพระบรารมีสิประการคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอย่างเต็มที่เมื่อพระบรารมีแก่กล้าขึ้น กอได้ทรงละทางที่ผิดทรงพบทางที่ถูกต้องขึ้นโดยลําดับจนถึงได้ทรงพบมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่คล้องแวะด้วยทางที่ผัวพันด้วยสุขสดใสในกามและไม่คล้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ลําบากเปล่าคือทางมีองค์แปประการได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบว่าจะชอบการงานชอบ เลียงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณได้ทรงตั้งจารุรงค์มหาประานคือความเพียรประกอบด้วยอง์ีว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามยังไม่ทรงบรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของบุรุษ ก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ทรงตั้งความเพียรยกเอาเลือดเนื้อหนึ่งหนังหนึ่งเอ็นหนึ่งกระดูกหนึ่งรวมสี่ประการขึ้นนางอิงจึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์สีฝ่ายสมุทยกับพักพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติทางนั้นก็ไม่พอใจเพราะเป็นการปฏิบัติที่จะให้พ้นจากอานาจของตน จึงได้พยายามขัดขวางต่างๆ ต, ตั้งแต่เบื้องต้นดังที่พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ว่าเมื่อพระมหสัตว์คือพระสิทธะราชกุมารได้ทรงสละรัชสิริสมบัติทรงมมากันทกะมีนายฉันนะเป็นสหายเสด็จออกจากพระนครฝ่ายมารได้มายืนที่ประตูนครกล่าวห้ามว่ากลับเสถเธอศิทธะ จากรัตนสมบัติจะมีปรากฏแก่พระองค์ในวันที่7แต่วันนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนมานเรารู้จักท่านเราไม่ต้องการด้วยจากรัตนสมบัติแต่อย่างนั้นพระองค์ต้องการอะไรเราต้องการพระสัพพัญยุตยานคือความตรัสรู้ธรรมทั้งปวงแต่อย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าพระองค์จะคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าคิดไปในกามข้าพเจ้าจะรู้กิจที่พึงทําแก่พระองค์มานที่พระอาจารย์เล่าถึงในเรื่องนี้ก็คือสมุทัยกับพระพวกนี่แหละเพราะเป็นผู้คอยขัดขวางทําลายความเพียรเพื่อโพอธิญาณของทุกๆคนแต่สมุทัยไม่ยอมรับคํานี้ไม่ชอบคํานี้เช่นเดียวกันกับคนทําชั่วทุจริตทั้งหลาย ที่ไม่ชอบให้ใครตราหน้าตนว่าเป็นคนชั่วทุจริตสมุทไทยชอบแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวงพอใจให้ใครๆเข้าใจตนไปเช่นนั้นและพูดถึงเช่นนั้นก็เหมือนอย่างคนชั่วคนทุจริตทั้งหลายที่มักชอบแสดงตนว่าเป็นคนดีชอบที่ใครๆจะพูดถึงว่าเป็นคนดีสมุทไทยได้ติดต่อหาช่องโอกาส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 เป็นขั้นไปตามกำลังของปัญญาและความเพียรบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้กำลังอบรมเพิ่มพูนสติให้รู้ทันมารคือสมุทยอบรมเพิ่มพูนปัญญาและความเพียรให้สามารถเอาชนะมารได้มารคือผู้ทำลายผู้ทำให้เกิดทุกข์ผู้ใดสามารถเอาชนะมารได้ผู้นั้นย่อมสิ้นทุกข์ มีสุขตามควรแก่ความปฏิบัติของตนพระมหาสัตว์พระจนมารพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์ได้ทรงมีสติสำรวมระวังความคิดของพระองค์เองมิให้เป็นอกุศลวิตกคือคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีความคิดไม่ดีแลบเข้ามาบ้างก็ทรงมีสติพิจารณาระงับเสียโดยเร็วพันธุ์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 จะทรงพลนไปจากอำนาจตนเป็นแน่แล้วจึงได้ระดมพลเสนาทั้งสิน้นเข้าโจมตีพระโพธิสัตว์นครวงไม้โพพึกในวันที่พระองค์จะตรัสรู้เพราะเห็นว่าจะรอช้าต่อไปอีกไม่ได้แล้วพระมหาสัตว์ได้ทรงตั้งจาตุรงค้ำหาประธานแล้วพระมหาสัตว์ได้ทรงเสี่ยงพระบารมีทรงเรียก พระบารมีทั้งปวงมาช่วยพร้อมทั้งบุรุษโยธาอีกเจ็ดจพวกคือสัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละหิริพละโอตปะพละพระบารมีทั้งส0สทัศพร้อมทั้งบุรุษโยธาก็ออกมาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหสัตสมุทัยกับพระพวกที่เรียกว่ามานและเสนามาน ก็ไม่อาจจะเข้าใกล้ถึงพระองค์ได้แต่ก็พยายามแสดงอาการคุก ค, คามด้วยอาการต่างๆอย่างน่าสะพึงกลัวฝ่ายพระมห า, ศ า, ศาสัตว์ก็ไม่ได้ทรงพรั่นพรึงมีพระหฤทัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและเพื่อที่จะทรงพระเดชศึกมานจึงทรงยกพระดัชนีชี้ที่พื้นมหินตราเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาครบถ้วนสาสทัศ ด้วยอำนาจแห่งโพธิสมภารธรณีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสกิพยานและด้วยอำนาจแห่งน้ำพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาก็ปรากฏอุทกะทาราจากธรณีหลังไหลพัดพามานและพลพระยุหเสนาออกไปจนหมดสิน้นดังที่ปรากฏในภาพคิดเขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าะจนมาน พระองค์ประทับบัลลังากา์ย่าคาภายใต้โพธิพฤกษ์พระหัตถ์ขวาผ้าชี้ลงมีรูปนารียืนอยู่ใต้บัลลังก์บิดน้ำในมวยผมไหลหลั่งออกมาเป็นท่อทาราทะเลหลวงนองท่วมหมู่มานเสนาทั้งหลายรูปนารีนี้หมายถึงธรณีจึงเรียกรู้กันว่าพระนางธรณีบิดมวยผม ในภาพเขียนเป็นรูปหมู่เสนามานอยู่สองข้างพระพุทธองค์ข้างหนึ่งกำลังงึดเงื้ออาวุธนาน า, นานชนิดเพื่อทำร้ายพระองค์มีพญามาสถิตอยู่เหนือคอช้างชื่อคีรีเมฆะมีพาหนะข้างละพันทรงอาวุธต่างๆอีกข้างหนึ่งถูกน้ำท่วมพ่ายแพ้ไปและน้ำในมวยผมนั้น หมายถึงน้ำทักซีโนโทกที่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานบารมีหลั่งลงบนพื้นแผ่นดินตั้งแต่เบื้องต้นก็มากมายิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรพระมหาสัตว์ทรงชนะมาและเสนาตั้งแต่เวลาเย็นก่อนที่อาทิตย์จะสดงได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีมารคอยติดตามขัดขวางการทำความดีและล่อให้ทำความชั่วยอยู่เสมอ ผู้ใดสู้ได้คือไม่เลิกล้มความพยายามที่จะทําความดีใดๆก็ตามเมื่อใดก็ตามเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะมารแม้จะยังไม่อาจชนะมารได้ยั่งยืนตลอดไปเช่นที่พระพุทธองค์ทรงชนะแล้วก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเวลาชนะเสียเลยการพ่ายแพ้แก่มารก็คือการตามใจมารให้นําไปสู่การทํากรรมไม่ดีน า, นานาประการนั่นเอง ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ผู้ใดควรทาไปเช่นนั้นทุกคนควรมีสติมีปัญญามีอริอตตา ป, ปะและมีความเพียรเอาชนะมารให้ได้นั่นแลจึงจะนับว่ามาบริหารจิตอย่างถูกต้องพระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้เมื่อพระมหาสัตว์ทรงระจญมารและทรงชนะมารและเสนาตั้งแต่ก่อนอาทิตตก ในวันที่จะตรัสรู้ทรงดำเนินปฏิบัติต่อไปในมัชิมาปฏิปทาก็ทรงบรรลุถึงพระญาณทั้งหลายดังที่ได้ตรัสเล่าแก่พระสาวกในภายหลังกล่าวด้วยย่อว่าทรงได้สมาธิแน่แน่แล้วทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ก็ทรงได้พระญาณคือความรู้ขึ้นโดยลำดับจนถึงพระสัมโพธิญาณ คือความตรัสรู้ในพระจัตุราริยสัตย์ทรงทำลายกิเลสอาสวะอนุสัยในสันดานให้หมดสิ้นไปดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้พระธรรมในปัชิมยามแห่งราตรีนั้นบังเกิดพระนามพิเศษขึ้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระสัมโพธิญาณนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระสัพพัญยุตยานแปลว่าพระยานคือความรู้ธรรมทั้งหมดและเรียกพระนามพระพุทธองค์ผู้ทรงได้พระยานนี้ว่าพระสัพพัญยูแปลว่าพระผู้รู้ธรรมทั้งหมดไทยเราเรียกกันมาแต่โบราณกาลว่าพระสัพพัทหรือพระสันเพชและเรียกพระยาณว่าสันเพชุดา ครั้นพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วได้ประทับเสวยวิมุติสุขนัควงไม้ต่างๆต่อมาหลายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ห้าท่านแสดงว่าได้ประทับที่ควงไม้อชาปาลณิโครดซึ่งมารยังได้พยายามมารบกวนอีกดังเรื่องเล่าว่ามานั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเสียแรงได้ติดตามหาช่องทางที่จะขัดขวางความตรัสรู้มานานถึงเพียงนี้ ก็ไม่พบความผิดพลาดอะไรบัดนี้พระองค์ทรงล่วงวิสัยอำนาจของตนไปเสร็จแล้วคำว่ามารตามที่เรียกในที่นี้เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้าดังได้กล่าวแล้วว่าผู้ที่ถูกเรียกคือสมุทยัยหาได้ชอบใจไหมสมุทัยไม่ปรารถนาจะให้ใครๆรู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมาร แต่ไม่อาจจะปิดบังสัญชาติแห่งตนจากพระสันเพชุดายานได้พระองค์ทรงเรียกระบุตรงๆว่ามานมานทุกครั้งที่เข้ามาในขณะที่มานหรือสมุทไทยนั่งคิดระทมใจอยู่นั้นธิดาทั้งสามของมานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาเห็นบิดาหายไปจึงเที่ยวค้นหา ก็ไปพบบิดานั่งระทมทุกอยู่จึงไต่ถามความแล้วก็รับอาสาจะไปนำพระองค์มาไว้ในอำนาจของบิดาอีกฝ่ายสมุทรไทยกล่าวห้ามว่าไม่มีใครจะสามารถทำพระองค์ไว้ในอำนาจได้ทิดาทั้งสามก็กล่าวว่าพวกตนเป็นสตรีย่อมรู้วิธีที่จะผูกใจบุรุษเพศจะใช้บ่วงราคะเป็นต้นผูกจูงมาให้จงได้ ขอให้บิดาอย่าได้วิตกครั้นแล้วนางทั้งสามได้เข้าไปหาพระพุทธองค์กล่าวทูลว่าจะขอบีบนวดพระยุคนบาทพระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระไทยในถ้อยคาของนางทั้งสทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรขึ้นดูทิดามานคิดว่าอันความประสงค์ของบรุหลุทั้งหลายย่อมสูงต่ำต่างๆกันบางคนชอบเด็กๆ บางคนชอบสตรีวัยแรกบางคนชอบวัยกลางบางคนชอบคนแก่ก็มีจำบจับประเลาประโลมพระองค์ด้วยประการต่างๆจึงแสดงบิดเบือนตนเป็นสตรีเพศเป็นอันมากเช่นเด็กรุ่นสาวผู้ยังไม่มีบุตรผู้ที่มีบุตรแล้วคนหนึ่งสองคนจนวัยกลางจนถึงคนแก่ครบทุกอย่าง เข้าไปเฝ้าพระองค์6ถึง7ครั้งพระพุทธองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเสวยวิมุตติสุขไม่ได้สนพระทัยเลยตรัสว่าผู้ใดชนะกิเลสเด็ดขาดแล้วไม่กลับแพ้ไม่มีกิเลสอะไรในโลกจะมาต่อเย่ได้ผู้ใดไม่มีตัณหาที่เหมือนอย่างตาขายคล้องใจให้ติดนำไปที่ไหนเจ้าทั้งหลาย จากนำผู้นั้นซึ่งเป็นผู้รู้มีที่เที่ยวไปแห่งพระยานไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยด้วยร่องรอยอะไรเล่าทิดามาทั้งหลายก็อันตรธานไปสามัญชนย่อมมีบางโอกาสที่ชนะกิเลสและบางโอกาสแพ้กิเลสแม้จะยังไม่สามารถชนะกิเลสได้เด็ดขาดไม่กลับแพ้แต่ก็ควรจะพยายามให้โอกาสที่แพ้มีน้อยกว่าโอกาสที่ชนะ เพื่อจะได้มีโอกาสทําความดีมากกว่าทําความชั่วและผลที่ได้รับก็จะเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์